สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธียาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองอเก้าสิบคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่หกสิบห้าขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยคำถามคำถามของผมก็คือว่าเวลาที่เราเกิดความรู้สึกต่อใครบางคน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเช่นเป็นความรู้สึกขมขื่นเป็นความรู้สึกไม่ดีเป็นความรู้สึกที่ว่าได้ทําผิดไปและอื่นๆอีกซึ่งเป็นความรู้สึกทางลบผมขอถามว่าเราปลดปล่อยหรือเราหยิบยกเอาความรู้สึกเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราได้อย่างไรครับได้ด้วยวิธีไหนครับพี่น้องครับทุกคนน่าจะมีคําตอบนะครับ หรือถ้าเกิดไม่มีคำตอบลองฟังดูนะครับแท้ที่จริงแล้ววิธีการปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับใครบางคนซึ่งเป็นความรู้สึกขมคืน่นความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกทางลบความรู้สึกว่าได้ทำผิดไปนะครับก็คือเราต้องสารภาพบาป ความขุนข้องมองใจนั้นเป็นความผิดบาปความรู้สึกทางลบที่มีต่อใครบางคนที่ทำให้เราไม่สามารถปลดปล่อยได้แม้ว่าจะเป็นปมหรือเป็นรากขมคืนหรือเป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องสาภาพกับพระเจ้ากับใจใหม่และขอพระเจ้าช่วยเราให้อย่าให้มีผล ทางลบเกิดขึ้นในชีวิตของเราต่อไปในขณะเดียวกันครับเราต้องลุกขึ้นครับและก้าวไปหาคนคนนั้นซึ่งถือว่าเป็นการยากใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่ามันจะนำมาซึ่งความปราบเปรื่องยินดีความปีติสุขครับแต่ถ้าเรายิ่งมีของขวัญอะไรบางอย่างเตรียมไปให้เขานะครับซึ่งแสดงออกด้วยความจริงใจกับเขาแล้วสิ่งที่ เราจะได้กลับคืนมาก็คือความปราบปลื้มใจครับพี่น้องครับเวลาที่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นกับใครบางคนเราจะต้องใช้วิธีการเหล่านี้ครับเพื่อที่จะฟื้นฟูบรุรณะความสัมพันธ์ของเราและในทางป้องกันเราจะต้องระวังครับไม่ให้ชีวิตและความสัมพันธ์ของเรานั้นก้าวไปถึงจุดแตกรัก กับใครบางคนนี่คือสิ่งที่จาเป็นและสำคัญมากในการวางตัวในการใช้ชีวิตเป็นพี่น้องในพระคริสต์พี่น้องครับไม่น่าแปลกใจเลยที่ความเชื่อแบบคริสเตียนเราทุกวันนี้นั้นไม่มีพลังอำนาจในการดึงดูดคนเข้ามาเป็นคริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในระหว่างเราท่ามกลางเรานั้นก็มีแต่ความไม่ลงรอยกัน ไม่ดีต่อกันครับมีความรู้สึกขัดแย้งกันมีความรู้สึกเป็นปมเป็นรากขมขื่นที่มีต่อกันพี่น้องครับสะดุดดีบทที่หกสิบหกบอกว่าถ้าเราบ่มความชั่วไว้ในใจองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับถ้าเราเพาะบ่มสิ่งที่ไม่ดีบ่มนะครับหรือรากขมขื่นไว้ในใจชีวิตของเรานั้นก็ไม่เติบโตกับ คำอธิษฐานของเราพระเจ้า ก, ก็ไม่ทรงฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนครับแล้วอธิษฐานบางสีบางอย่างแต่พระเจ้าไม่ฟังเพราะอะไรครับเพราะเรามีความบาปเพราะเรามีความชั่วบ่มไว้ในใจในการบ่มสิ่งต่างๆ่เหล่านี้ไว้ในใจครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจความขมขื่นรากต่างๆปมต่างๆในชีวิตของเรานั้นทําให้ ชีวิตคือเสถียรไม่เติบโตและไม่สามารถเป็นพยานได้เท่าที่ควรจะเป็นในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อสิบสามนะครับได้บอกว่าเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวของเรานะครับตกอยู่ในสภาวะที่ต้องรับโทษ โทษที่เกิดขึ้นกนจากการไม่แสดงความการุณาโทษที่เกิดขึ้นจากการไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่นในวันนี้ผมอยากจะได้อธิบายในพระธรรมมัท ธ, ธิวบทที่สิบปดนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่สิบแปดนั้นเริ่มต้นโดยมีหัวเรื่องว่าผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดตอนนั้นพระเยซูก็ตอบคาถาม พวกสาวกคําถามของสาวกก็คือว่าใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูเรียกเด็กเล็กๆมาพระเยซูไม่ได้ตอบว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์นะครับแต่พระเยซูตอบว่าถ้าไม่กลับใจเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้พระเยซูกําลังสอนเรื่องความถ่อมใจครับนะครับอย่าไปคิดถึงว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูเรื่องสอนเรื่องความถ่อมใจ และพระเยซูสรุปในข้อที่สี่บอกว่าถ้าผู้ใดถ่อมใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูกําลังสอนเรื่องความถ่อมใจนะครับพี่น้องความถ่อมใจนั้นนํามาซึ่งการกลับใจใหม่ครับความถ่อมใจนํามาซึ่งการไว้วางใจพระเจ้าความถ่อมใจนํามาซึ่งการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับการกลับใจใหม่การไว้วางใจพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้า ล้วนแล้วแต่มาจากความถ่อมใจทั้งสิ้นความถ่อมใจทำให้คนนั้นได้กลับมาดูชีวิตของตัวเองและเขาจะพบว่าตัวเองนั้นไม่มีอะไรนอกจากได้รับพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าจะมีสติปัญญามากแค่ไหนเรารู้ว่าคนที่ถ่อมใจเขาจะรู้เขาจะระหนักเขาจะประจักษ์ว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าแท้จริงแล้วตัวเขาไม่มีอะไรเลย และนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าครับพี่น้องพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันเพียงครับทุกคนเป็นคนบาปคนชั่วแม้ว่าเราจะมีบาปเล็กน้อยก็าตามเราก็ถือว่าเราเป็นคนชั่วเราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่งในพระคุณของพระเจ้านั่นแสดงถึงความถ่อมใจนั่นแสดงต่อมาถึงการเชื่อฟังแสดงต่อมาถึงการไว้วางใจในพระเจ้า พี่น้องครับพระเยซูสอนว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็ก ๆ, ๆ, ๆเช่นนี้คนหนึ่งในน้ำของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดทําให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้หลงผิดไป<ๆ>ก้าหินโมหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงน้ำเลยครับทวงในทะเลลึกเลยด้วยครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูกําลังสอนพระเยซูสอนว่าเราจะต้องถ่อมใจการถ่อมใจนั้นนํามา ซึ่งความถูกต้องชอบธรรมนำมาซึ่งการไว้วางใจนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ในพระทิบทที่ส8บดต่อไปก็พูดถึงเรื่องอุปมารครับอุปมารเรื่องแกะที่หายไปนะครับแกะที่หายไปได้บอกว่าถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวตัวหนึ่งหายไปผู้เลี้ยงก็จะละแกะทั้งเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา แล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายไปพี่น้องครับอย่างนั้นแหละครับพระบิดาบนสวรรค์ของเราก็ปรารถนานะครับ <c oughs> ให้ผู้เล็กน้อยนั้นได้รับความรอดค <c oughs> รงไม่ปรารถนาจะให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาษไปเลย <c oughs> ตรงนี้เองนะครับสาวกก็ทูลถามพระเยซูสาวกคนนั้นก็คือเปโตรครับ พระเยซูสอนเรื่องการอภัยโทษบาป พ, พระเยซูสอนเรื่องความปรารถนาของพระบิดาที่จะไม่ให้ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งพินาศไปเปโตก็เลยถามพระเยซูว่าหากพี่น้องของข้าพงษ์จะกระทำผิดต่อข้าพงษ์เรื่อยไปข้าพงษ์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งพระเยซูตอบเลยครับว่าเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบครั้งนะครับ เจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้งนะครับพี่น้องพระองค์เจ้าค่ะหากพี่น้องของข้าพรองค์จะกระทําผิดต่อข้าพรองค์เรื่อยไปข้าพรองค์ควรจะยกความผิดของเขากี่ครั้งพระเยซูตอบว่าเรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบมีความหมายอะไรครับมีความหมายว่าเป็นการอาภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองเสมอพระเจ้าของเรานั้นให้อภัยเราเสมอไม่ว่าสักกี่ครั้งก็ตามพี่น้องครับการที่เราจะต้องให้อภัยกับคนอื่นก็คงจะต้องเรียนแบบของพระเจ้าเรียนแบบของพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะต้องให้อภัยคนอื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า การให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้นจริงๆแล้วเป็นมาอย่างไงสามารถที่จะเปรียบเทียบอย่างไรได้ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์วันใหม่ของการทำงานขอพระเจ้าอวยพระพร ท, ทุกท่านครับอาเมน